ซีดีธรรมบัญญายชุดหลักชาพุทธโดยพระพรมกุณาพรปออประยุกโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สามเลิกพูดเสียทีเกิดมาใช้กรรม ธรรมเทศนาวันอาสาฬหาบูชาเจกรกฎาคมพุทธศักราช2552ก็ยังมีเรื่องขอแทรกอีกเรื่องหนึ่งก็ขอชาวนิดหนึ่งเรื่องราบปฏิบัติชาวพุทธคืออาตมาขอประทานภัยเถอะต้องพูดถึงตัวเองนิดหนึ่งไม่ได้ลง มาร่วมพิธีในทำบุญประจำปีในวันสำคัญเนี่ยตลอดมาเริ่มปีนี้เพิ่งครั้งแรกตั้งแต่ต้นปีไม่วมา่ามาคารูชาสงการวิสาขาบูชาไม่ได้ลงท้งนั้นนี้มาลงวันนี้ก็มีเรื่องค้างติดใจอยู่อย่างวิสาขาบูชาก็อยากจะพูดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้พูดเลยถือโอกาสเอามาพูด เรื่องที่ค้างไว้สะดุ้ยเรื่องอะไรคือได้เห็นในหมู่ชาวพุทธเนี่ยมีการพูดอันหนึ่งพูดกันมานานแล้วก็ยังพูดกันอยู่หลายคนชอบพูดว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะใช้นิกรรมคำนี้ไม่ดีเลยไม่ถูกไม่ควรพูดแล้วพูดกันมากถือว่าเป็นความเข้าใจผิดต่อหลักพระพุทธศาสนา ก็เลยท้างใจมากต้องมาพูดสติวันนี้เลยทั้งทางที่นิมนต์ให้พูดหลักปฏิบัติาชาวพุทธก็ต้องขอพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องอะไรเกิดมาใช้นีิกรรมคนเขาทาชั่วร้ายเออไปฆ่าคนไปขโมยของถูกจับไปติดคุกอย่างงั้นเราเรียกว่าใช้นีิกรรมเออชดใช้กรรมใช้กรรมใช้นีิกรรมก็อันเดียวกันแหละพอไปได้ ที่จริงก็ยังไม่ถูกนะเอาละยังดีกว่าหรือเ ม, มืงั้นก็เอา้ามองไกลไปใช่ว่าทําชั่วมากทําบาปเยอะไปตกนรกเออยังงั้นสิไปใช้นิกรรมใช่ไหมยังพอฟังได้แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ว่ามาใช้นิกรรมเรื่องทํากรรมชั่วร้ายอะไรมันนักหนาเกิดมาทั้งชีวิตมาใช้นิกรรมเออพุทธศาสนานี่ท่านบอกไว้เลยบอกการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยากอย่างยิ่ง พระพุตรเจ้านั้นถึงกับตรัสไปมากมายแล้วพุทธพจน์ก็มีกิจโฉมนุสสปฏิลาโภการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากคือเป็นโอกาสพิเศษนั่นเองการเกิดเป็นมนุษย์อ้าวแม้แต่เทวดาท่านเล่าในพระไตรปิดกพวกเทวดาเนี่ยจะมีเทวดาสักองค์หนึ่งจุติจุติเทวดานัจุติไม่ใช่ไปเกิดใ น, นภาษาไทยก็เพี้ยนอยู่แล้ภาษาไทยว่าจุติว่าไปเกิดสิ จิติเพราะตายมีที่ไหนจุติเพราะเกิดจุตติเพราะเคลื่อนเพราะย้ายย้ายจากภพหนึ่งไปภพหนึ่งจุติก็คือตายนี่เทวดาจะย้ายภพก็คือตายนั่นเองเทวดาพวกเพื่อนๆนเพื่อนเทวดาทั้งหลายก็จะให้กําลังใจอวยใจพรขอให้ท่านไปเกิดในสุคตินะเท่านั้นแล้วเอ้าก็สวรรค์ก็เป็นสุคติไม่ใช่เหรอแล้วทําไม บอกเทวดาบอกให้ไปเกิดในสุกติสุกติของเทวดาหมายถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้โยมจำไว้เลยนะหลักการเลยเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเกิดเป็นเทวดาก็ได้ถ้ารู้จักใช้โอกาสเพราะเป็นเทวดาไม่มีจุดอ่อนหลายอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อดีของเทวดามีนั่นหนึ่งสสี่ห้าข้อเสียของเทวดาที่แพ้มนุษย์หนึ่งสาี่ห้าคือมีดีคนละอย่างมีเสียคนละอย่าง แต่ไอ้ข้อดีของมนุษย์นี่มันดีที่ว่าเช่นมนุษย์มีสติดีกว่าทำไมเทวดานี่กันหลงเพลินกันมีความสุขคนที่มีความสุขมากในมีทางหลงเพลินและขาดสติถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเครื่องเตือนสติเยอะมีทุกข์มีภัยมีอันตรายเตือนใจให้ไม่ประมาทแล้วเลยกลายเป็นว่าถ้ารู้จักใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เนี่ยจะพัฒนาตัวได้ดีที่สุด การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ถ้ารู้จักใช้โอกาสนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสย้ำเรื่องนี้เนี่เรื่องการเกิดเป็นมนุษย์ที่สําคัญเพราะว่ามนุษย์นี่มีความพิเศษอะไรคุณสมบัติที่พิเศษของมนุษย์คืออะไรข้อดีของมนุษย์อย่าไปพูดกันเลื่อยเปื่อยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่มีหลักเลยพูดไปรด็ไงเป็นหลักประเสริฐยังไงน มนุษย์มีดีกองไหนประเสริฐกองไหนท่านบอกไว้เลยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่สิกองเนี้ยคุณสมบัติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ฝึกแล้วเอาดียังไงก็ได้จะให้ประเสริฐเลิศยังไงก็ได้แต่สัตว์ชนิดอื่นเนี้ยมันฝึกได้น้อยมันฝึกแทบไม่ ไ, ได้แล้วมันอยู่ในสัญชาตญาณนี่มนุษย์นี่ฝึกให้ดีให้เลิศ ใ, ให้ประเสริฐให้เป็นมหาบุรุษให้เป็นพระทธเจ้าเป็นได้หมด ก็เลยเป็นโอกาสดีถ้าเรารู้จักใช้โอกาสนั้นก็จะพัฒนาชีวิตนี้ให้เจริญ ง, งอกงามจนเป็นผู้ประเสริฐเลยแท้จริงนะเมื่อเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วจะดีได้ประเสริฐได้ก็ต้องฝึกเพราะฉะนั้นฉันจะตามด้วยคำว่าฝึกได้แล้วต้องฝึกถ้าฝึกแล้วประเสริฐถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ถ้าไม่ฝึกแล้วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นด้วยน ต้องฝึกถนัดจึงจะเลิศประเสริฐดนั้นข้อดีของมนุษย์อยู่ที่ฝึกได้นี่เองนั้นพระพุทธเจ้าจึงย้ำนักตรงนี้แล้วก็ให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยฝึกได้ทีนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันก็ปลายเป็นโอกาสอย่างนี้จะทำไงเราจะเห็นว่าเออถ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ก็เกิดมาเพื่อบาเพ็ญบารมีสิจะทาความดีอันยิ่งใหญ่ใช่หเหอช่วย ให้ตัวเองก็พัฒนาเป็นพระพุทธเจ้าช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์อา้าวถ้าเกิดมาเป็นคนทั่วไปก็เป็นโอกาสที่จะมาสร้างสรรพัฒนาชีวิตให้เจริญ ง, งอก ง, งามยิ่งขึ้นถ้าพูดภาษาอภิธรรมก็เจริญในกาล ม, มาวาจรกุศลจากกุศลธรรมดาเป็นมหากุศลเจริญขึ้นไปเป็นรูปาวาจรกุศลอรูปาวาจรกุศลโลกุตระกุศลก็ได้เจริญขึ้นไปพัฒนาไปหรือเจริญขึ้นไปเป็นภูมิชั้นจากกาลมาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตระภูมิเป็นได้หมดเลยในมนุษย์สโลกเนี่ยโลกอื่นเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้อย่างมนุษย์มนุษย์นี่เป็นได้ทุกภูมิเลยอันนั้นเป็นโอกาสพิเศษเลยเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้ต้องรีบใช้โอกาสให้ดีที่สุดแล้วจะไปมัวติดใช้นีิกรรมทีนี้ใช้นีิเสร็จแล้วทําไงเกิดมาพอใช้นีิกรรมพอใช้นีิกรรมเสร็จกันนอนซึมใช่ไหม ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ น, นอนซึมนอนงน่อยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสิเนเพราะฉะนั้นเราต้องถือโอกาสใช้ประโยชน์เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไอ้ส่วนไหนที่มันบกพร่องเสียเป็นบาปมาแล้วแก้ไขละเลิกมันเจริญกุศลทำให้ดียิ่งขึ้นสร้างชีวิตพัฒนาชีวิตของตัวเองให้เจริญ ง, งอกงามช่วยเหลือสังคมทาสังคมให้เจริญ ง, งอกงามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกื้อกูลโลกทาสังคมให้ดีไปด้วย อย่างนี้แหละจึงจะสมกับการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เลยบอกก็อยากจะให้เลิกพูดกับเสถีย้ว เ, เกิดมาใช้นิกรรมเนี่ยนะให้เกิดมาเพื่อจะได้บำเพ็ญบา ร, รมีหรืออะไรก็ว่าแล้วแล้วไปก็แล้วแต่จะพูดเพื่อได้สร้างกุศลสร้างความดีพัฒนาชีวิตทำให้ชีวิตเจริญงอกงามขึ้นไปจะ ก, ก้าวจากผูดุชนไปเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนเป็นพระอาหารหันต์เป็นอะไรก็ว่าไปสิ ก็าทางนั้นแหละท่านสอนไว้ก็มีแต่ให้ก้าวหน้าไปมีที่ไหนท่านให้มานั่งนอนใช้นิกรรมอยู่ขอย้ำวันเลิกพูดกัสักทีเรื่องเกิดมาใช้นิกรรมเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าในหมู่ชาวพุทธเนี่ยมีความเข้าใจผิดแบบนี้เยอะเพราะอะไรเพราะความชุดเนี่ยขาดหลักไม่รู้เข้าใจหลักพระศาสนาของตนเอง แล้วนอกจากไม่รู้เข้าใจแล้วก็ไม่ปฏิบัติอาตมาถึงได้คิดมานานและวยี่สิบสามสิบปีแล้วเอ๊ะหมู่ชาวพุทธนี่เลื่อนลอยเคว้งคว้างเหมือนกับจะเป็นชาวพุทธนี่เป็นอะไรก็ได้ทาอะไรก็ได้จะกินเหล้าเสเพยยังไงก็บอกฉันเป็นชาวพุทธจะทําอะไรก็เป็นชาวพุทธได้หมดทําไมเป็นชาวพุทธมันไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรบ้างเลยหรือนี่มาเมื่อสี่ห้าปีมานี้ขอเล่าแทรกอีกนิดหนึ่ง วันหนึ่งก็ดูเหมือนจะได้ยินวิทยุอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็อ่านข่าวบอกว่าเกิดมีต้นไม้ประหลาดขึ้นมาต้นหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ที่เกิดต้นไม้ประหลาดต้นนี้มันอยู่ในเขตของญาติโยม ต, ต่างศาสนานี่ก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปขูดเลขขอหวยหนังสือพิมพ์ก็ไปสัมภาษณ์ ญาติโยมที่เป็นเจ้าถิ่นซึ่งเป็นญาติโยมชาวศาสนาอื่นญาติโยมนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาขูดเลขขอหวยกัน เ, เนี่ยพราชาวพุทธเน่ยมาขูดเลขขอหวยกันเขาบองั้นเออเอาจริงของเขาไหมก็เพราะชาวพุทธไม่มีหลักอะไรนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะเพราะเนี่ ย, ยที่ต้นไม้ประหลาดเนี่ยมีพวกชาวพุทธเนี่ยมาขูดเลขขอหวยกันพวกเราไม่เอาหรอก เนี่ยเขาก็บอกงั้นเลยเอาก็จริงของเขานะต้องอนุโมทนาเนี่ยเตือสติชาวพุทธเลยเห็นไหมนี่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงว่าชาวพุทธเนี่ยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยอยู่กันเลื่อนรอยอย่างนี้ไปไม่รอดหรอกสมัยก่อนอยังดีบ้างสมัยก่อนเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมีว่ามีรักษาศีลฟังธรรมมีหลักของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าอุบาสกธรรมเป็นต้น ต่อมาเลือนไปเลไปก็เหลือแต่ศีลห้าก็ยังดีเอาแล้วรักษาศีลห้าก็ยังพอไหวแต่ต่อมาศีลห้าก็เหลือรูปแบบเป็นพิธีไปเท่า น, นั้นเองใช่ไหมไม่มีสาระอะไรเลยศีหลห้ารับกันไปหมดโตรงเช้าพุทธไม่ไม่มีอะไรเลยมีแต่รูปแบบเหลือประเพณีประเพณีเขามีไว้สาหรับรักษาสาระเป็นรูปแบบรักษาเนื้อตอนนี้เนื้อมันหายกลายเป็นว่าไอ้ขวดที่เคยใส่น้ํา หวานหรือใส่น้ำอะไรที่มันเป็นเครื่องดื่มน้ำปานะหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ขวดนั้นมันเป็นรูปแบบที่เคยใส่สารละเคยใส่น้ำที่วันรัประทานดื่มหรือว่าน้ำปานะอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้สารละที่บรรจุในขวดมันเปลี่ยนไปกลายไปว่าไอ้ขวดนั้นแทนที่จะรักษาน้ำปานะก็เป็นขวดบรรจุเหล้าเนย อย่างนี้มันก็หมดรูปแบบประเพณีที่รักษาสาระไม่ถูกมันกลาวไปว่าเอาเนื้อหาอื่นมายัดใส่เข้าไปแทนอย่างนี้ก็อันตรายมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดกันให้หนักเอาไปไปมามาต่อมาพูดเรื่องใช้นิกรรมก็โยงมาหาหลักปฏิบัติของชาวพุทธเลยเน่เอาและตอนนี้ก็ไปเลยเป็นเหตุว่าเนี่ยมันนึกว่าชาวพุทธมันต้องมีหลักปฏิบัติเดิมท่านมีแล้วเราลืมไปเอง เรานเนี่ยเลือนรางหายไปก็ควรจะมีหลักปฏิบัติชาพุธแล้วควรจะมียังไงดีละ่ะนี่หลักปฏิบัติชาพุทธก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้มีหลายข้อข้อหนึ่งเลยก็คือว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ทุกคนแล้วความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนคุณสมบัติของมนุษย์ความดีพิเศษอะไรมีอยู่ที่ไหนก็บอกไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าอยู่ที่ความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะั่นเองทีนี้จับจุดนี้ได้ก็เอาสิ ฝึกหัดไปฝึกผลพัฒนาชีวิตไปก็รําว่าฝึกในภาษาพระเรียกว่าสิกขาสิกขาเราใช้ภาษาสันสกิตก็มาในรูปวิศวษาเราก็แปลกันว่าเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในคําว่าศึกษาทั้งสิ้นเพราะชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องฝึกแล้วฝึกเดินฝึกพูดฝึกกินดื่มฝึกทุกอย่างจะทําอะไรให้เป็นก็ต้องฝึกต้องหัดทั้นั้นนะ นี้ถ้าเราจะทําอะไรให้เป็นแล้วก็ฝึกเรื่อยไปมันก็ไม่รู้จะจบมันก็เป็นเรื่อยไปเหมือนกันถ้าหยุดฝึกเมื่อไหร่ก็ได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์นี่จะเอาดีได้ในการฝึกในการหัดพัฒนาชีวิตเรียนรู้ไปชีวิตนี้เป็นชีวิตแห่งการเรียนรู้เป็นการชีวิตแห่งการฝึกการหัดการพัฒนาเรื่อยไปไม่รู้จะจบท้าพุทธสอนอ่านถือหลักเนี้ยบอกว่าจบการศึกษาต่อเมื่อเป็นพระอรหันทร์ท่านเรียกว่าอาเสกขะพู้ที่จบการศึกษาไม่ต้องศึกษา ตราบใดยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องศึกษากันเลยไปชื่อก็บอกชัดอยู่แล้วชีวิตของชาวพุทธนั้นก็ต้องเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตไม่ใช่ตลอดชีวิตตลอดจนกว่าจะบรรลุนิพพานก็ต้องศึกษากันเลยไปทีนี้เมื่อเราเนี่ยเป็นศาตร์ที่ต้องศึกษาต้องสึกหาต้องพัฒนาเราก็ไม่ใช่หลักนี้ก็ตั้งจิตสำนึกขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องถือหลักการเนี่ยก็คือมีหลักการของการที่ถือว่า มนุษย์จะเอาที่ได้การฝึกเป็นสัตว์ที่เลิ่ประเสริฐได้ในการฝึกหัดสร้างจิตสํานึกในการศึกษาหรือจิตสํานึกในการฝึกตนขึ้นมาไว้ต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาชีวิตกันเรื่อยไปอันนี้ว่าเอาแล้วเราฝึกหัดพัฒนาชีวิตกันไปเนี่ยแล้วเราจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรจะฝึกจะหัดจะพัฒนาอย่างไรแล้วมีจุดหมายอย่างไรอยู่ที่ไหน อะไรต่างๆตอนนี้เราได้หลักกว้างๆว่าเอาละเราเป็นมนุษย์จะต้องฝึกต้องหัดนี่แหละตอนนี้มันจะมาถึงหลักพระรัตนตรัยเรามีพระรัตนตรตัยไว้ทําไมก็เพราะเราเป็นมนุษย์ที่ต้องฝึกต้องหัดต้องพัฒนาชีวิตจะดีได้ในการฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาพัฒนาเนี่ยถ้าจึงมีพระรัตนตรัยมาให้เริ่มต้นก็คือว่าเออเพื่อให้คุณมีจุดหมายหรือจะเอาในแง่แบบอย่างก็ได้ก็เอาผู้ที่ เป็นมนุษย์อย่างเรามาแล้วแล้วก็ได้ฝึกหาดพัฒนาฝึกตนจนกระทั่งสมบูรณ์ไปแล้วมาเป็นต้นแบบให้แล้วเราก็จะได้แนวทางแบบอย่างแล้วก็เป็นสื่อไปถึงความหมายของการฝึกตนเป็นสื่อถึงจุดหมายของการฝึกตนเป็นเครื่องชี้ทางให้เห็นวิธีการฝึกตนเป็นเครื่องให้กำลังใจในการฝึกตนด้วยแล้วก็เลยมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็น องชูเลยเป็นที่เชิดชูขึ้นมานี่เป็นต้นแบบให้เราแล้วเราได้แบบอย่างเป็นผู้ชี้ทางนำทางในการฝึกฝนพัฒนาชีวิตในการศึกษาในการเจริญตรศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญาต่อไปก็เลยเกิดเรื่องพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งในพตันตนาใจสำหรับมนุษย์เรามนุษย์นี่คือตัวเราแล้วนะแต่ว่าต้องรู้จักตัวเราก่อนเมื่อกี้รู้จักตัวเราแล้ว ต่อมาทีนี้ก็ได้หลักและหลักที่หนึ่งก็คือได้พระพุทธเจ้าในได้พระพุทธเจ้ามาก็พระพุทธเจ้าทรงฝึกฝนพัฒนาพระองค์จนประเสริฐเลิศสูงสุดอย่างนี้เป็นเรียกว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้อย่างนี้เพราะอะอ้าวก็เพราะพระองค์เนี่ยปฏิบัติถูกต้องทําตรงตามความจริงเช่นหลักเหตุปัจจัยเป็นต้นทําเหตุปัจจัยที่ถูกต้องก็พัฒนาพระองค์ได้พระองค์ก็ชี้ไปเธอจะ พัฒนาไปสู่จุดหมายให้ได้อย่างฉันเนี่ยนะฉันจะบอกให้พระองค์ก็ชี้ไปที่หลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติเช่นหลักพาเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งทั้งหลายก็คือธรรมะเรียกสั้นๆพระพุทธเจ้าก็ชี้ไปที่ธรรมเธอต้องเข้าถึงธรรมะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติของเหตุปัจจัยของธรรมดาเข้ามานนั่นแหละแล้วเธอก็ถึงเองอย่างน้อยก็เอาธรรมะ ความจริงความถูกต้องดีงามเนี่ยมาเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานในสังคมของพวกคุณเองชีวิตของเราจะต้องตั้งธรรมะเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานเป็นตัวตัดสินสังคมก็เช่นเดียวกันนั้นนี้เราจึงตั้งหลักธรรมะที่ปไตยขึ้นมาก็สังคมเดี๋ยวนี้แค่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นไม่ได้ก็เพราะขาดธรรมะที่ปไตยจะเป็นประชาธิปไตยได้อยู่ได้จริงมันก็ต้องมีธรรมะเป็นใหญ่ต้องเอาหลักความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นเกณฑ์ตัดสินถ้าเอาธรรมะ ความจริงความถูกต้องการก้าวไปในความดีงามยิ่งขึ้นเป็นเกณฑ์ตัดสินคุณอยู่ได้ชีวิตคุณก็เจริญก้กาวหน้าดได้สังคมก็ดีงามได้เราลงว่าเอาธรรมะมาตั้งเป็นเกณฑ์ตัดสินแล้วก็เอาธรรมะนี่มาศึกษาเรียนรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงทั้งธรรมดาธรรมชาติเข้าใจถึงเหตุปัจจัยทำเหตุปใจใัจจัยถูกต้องเจริญก้าวหน้าพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมกันไป นี่แหละพระพุทธเจ้าชี้ไปที่ธรรมะแล้วคุณทําอย่างนี้ก็จะได้อย่างฉันเหมือนกันก็ธรรมะก็มาแล้วอา้าวธรรมะมาแล้วทีนี้อา้าวเราก็มนุษย์คนหนึ่งแล้วคนอื่นมีเยอะแยะคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเป็นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันพวกนั้นก็เหมือนกันถ้าจะให้ถูกต้องก็จะต้องพัฒนาชีวิตต้องเจริญงอกงามในศีลสมาธิปัญญาก้าวหน้าไปเช่นเดียวกันเอออย่างงั้นเราก็ไม่มองแต่ตัวเอง แล้วก็เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ทุกคนจะต้องทําอย่างนี้แหละเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกต้องพัฒนาต้องเจริญก้าวหน้าต้องไปให้ถึงความเป็นพุท ธ, ธะต้องรู้ธรรมะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องธรรมะใยกันเพราะฉะนั้นเราก็มาบอกมาชี้แจงมาชวนกันให้รู้เข้าใจธรรมะปฏิบัติให้ถูกธรรมะแล้วก็กลายไปว่าเราก็สร้างสังคมที่ดีงามที่มนุษย์นี่ยมาเกื้อกูลช่วยเหลือกัน ร, ร่วมมือกันร่วมแรงกันเดินหน้าไปในการปฏิบัติตามธรรมะ ทั้งเราก็สร้างสังคมที่ดีด้วยที่จะเอื้อกลับมาเอื้อกูลเอื้อหนุนเราในการที่จะปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นถ้าสังคมแวดล้อมมันไม่ดีมันก็กลายเป็นอุปสรรคเราจะปฏิบัติจะเดินหน้าไปในธรรมก็ไปไม่ได้เพราะนั้นก็เลยมีหน้าที่ว่าหนึ่งเราได้อาศัยมนุษย์ที่เขกล้าไปก่อนเนี่ยมาเกื้อหนุนเราพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยูย่จนถึงบัดนี้คนที่จะเอาหลักความจริงธรรมะมาสั่งสอนแนะนําเราก็คือท่านที่ก้าไปก่อนเราแล้ว ที่เราเรียกว่าพระสงฆ์ก็มารักษาคําสอนพระพุทธเจ้าไว้เอาความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นมาแนะนําสั่งสอนเราเราก็นับถือแล้วเราเองก็จะต้องสร้างตัวพัฒนาตัวให้เข้าเป็นส่วนร่วมในสังฆานั้นด้วยถ้าเป็นภิกษุสังฆาภิกขุนีสังฆาก็ไปบวชถ้าไม่งั้นก็เป็นอริยสังฆะก็พัฒนาตัวเองให้เป็นโสดาบันสกทาคามีนาคามีอาหารไม่บวชก็อยู่ในสังฆาได้ แต่ว่ารวมแล้วก็คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตัวเข้าไปเป็นส่วนร่วมในสังคมแล้วใช้ประโยชน์จากสังคมนั้นก็คือท่านที่ก้าวไปเราจะเห็นว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยสังคมมนุษย์แม้แต่สังคมที่ดีเนี่ยมนุษย์ก็ก้าวไปพัฒนาไปไม่เท่ากันเราก็จะเห็นมนุษย์ที่พัฒนาก้าวไปในระดับต่างๆเนี่ยอยู่แวดล้อมเราเรานี่ยจะเราก็นี่แหละสังคมที่ดีก็มีมนุษย์ที่พัฒนาไป ในทางที่จะเป็นอริยะเป็นกรลยานชนเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ขอให้ก้าวกันไปในทํานองนี้อย่างนี้สังขาก็เกิดขึ้นเราก็ยึดหลักสังขานี้จะต้องมาทําให้เป็นจริงขึ้นมาก็เกิดหลักที่อยกรรับรัตนไตรขึ้นมาสังคมที่ดีก็เป็นสังขะนะเราก็ต้องเริ่มต้นสังขะสังคมที่ดีงามตั้งแต่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยต้องชวนกันมาทําให้เป็นสังคมที่ดีที่สุดนะี่ทำอะไรล่ะก็ มีข้อปฏิบัติที่จะต้องมาเริ่มต้นกันจะทํำยังไงจะสร้างครอบครัวบ้านของเราให้ดีให้อุบุญหน้าอยู่แต่อย่างน้อยทุกคนในบ้านต้องเป็นคนที่มาเกื้อกูลกันมีน้ำใจดีต่อการปรารถนาดีต่อการมีความสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันั้งแต่ในครอบครัวในบ้านเป็นต้นไปแล้วก็ขยายไปทีนี้ก็ไปสี่ไปเป็นบ้านไปเป็นชุมชนไปเป็นอําเภอเป็นจังหวัดเป็นสังคมประเทศชาติ จนกระทั่งถึงโลกเนี่ยถ้าได้สังคมอย่างเงี้ยก็คือสังคมที่จเจริญในแนวทางของสังคะมันก็จะเป็นสังคมที่ดีงามที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเก้าวไปโตลงได้และหลับพรัชนตัยอันนี้ท่านให้หลักไว้กว้างกว้างที น, นี้ในการที่จะก้าวไปแต่ละขั้นในการกระทํากิจกรรมแต่ละอย่างระย่างดำเนินชีวิตทุกขั้นทุกตอนทุกขณะทํำยังไงก็มาถึงอีกข้อว่าการต่างๆที่จะทํานี้ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน ผลที่เราต้องการมนุษย์จะต้องการแม้แต่การพัฒนาชีวิตเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยต้องทําเหตุแล้วผลจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําของคุณเหตุที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้นได้ก็คือการกระทําของตนเพราะมนุษย์มีความสามารถในการกระทําทำทั้งการคิดทั้งการพูดทั้งการแสดงออกทางกายถ้าคุณมีความสามารถอันนี้คุณก็ใช้ความสามารถในการที่เรียกว่ารำเนี่ยทั้งพูดทั้งคิดทั้งแสดงออกเนี่ย มาทําป็นสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลที่ดีสิเอาและนี้ก็คือว่ามาถึงหลักอันสุดท้ายที่จะต้องอยู่กับตัวเราตลอดทุกขณะเลยก็คืออยู่กับทุกกิจกรรมและการดําเนินชีวิตก็คือต้องสร้างผลสําเร็จให้แก่ชีวิตสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตด้วยการกระทําเหตุปัจจัยที่ดีงามถูกต้องหรือสร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําไม่ใช่ลัทธิของการขอและการรอ รัททิขอก็คือจะประคูลไปขอหวยขูดเลขที่ต้นไม้นีหรือไปก้อนวอนเทวดาให้บันดาลญี่รัตทิขอลทัททิรอก็รอโชคโชคมาเมื่อไหร่ก็เป็นเองอย่างนี้ไม่ไหวรัตทิขอลัตทิรอนี่เรียกว่าลัตทิหวังผลดลบรรดาลใช้ไม่ได้เพราะนั้นมันขัดกับหลักพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้สร้างผลสําเร็จด้วยการกระทําของต้นในความเพียรพยายามเอ า, เอาจริงเอาจริงมุ่งมั่น ท่านเรียกว่าหลักกรรมนี่แหละเนี่ยกรรมอยู่ที่นี่ไม่จะเกิดมาใช้กรรมแต่เรามาเพื่อทำกรรมดียิ่งขึ้นไปและเลิกกรรมชั่วทำกรรมดีกรรมดีที่เป็นกุศลน้อยก็ทำกรรมดีที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นจากเป็นมหากุศลเป็นรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุสกรศลนันก้าวไปในกรรมนั่นเองหละการที่เราศิกขา จเจริญสีสมาธิปัญญามองง่ายๆหนึ่งก็คือการทํากรรมดีให้ยิ่งขึ้นไปนั่นเองจนกระทั่งว่าหมดกรรมไปเลยการกระทํานั้นไม่เป็นกรรมอีกเพราะนั้นเรื่องเดียวกันเรื่องกรรมเนี่ยก็คือในที่สุดคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหมคุณต้องฝึกตนเองคุณต้องฝึกตนเองถ้าพูดสั้นๆก็คือต้องศึกษาต้องศึกษาศึกษาแล้วคุณก็จะเจริญขึ้นในศีสมาธิปัญญาที่พูดอย่างรวบรัด แล้วคุณจเจริญในศิกขาสีธรรมะที่ปัญญาได้ยังไงคุณก็ทํากรรมดีสิเนี่ยตั้งแต่คิดตั้งแต่เล่าเรียนศึกษาเนี่ยเป็นกรรมทั้งนั้นแล้วก็พูดจะอะไรแต่ะะไรทํากรรมดีกันคือไปคุณก็พัฒนาจเจริญขึ้นไปจนกระทั่งมาเข้าหลักก็มีพรระัตนาใจเป็นหลักนําทางให้กันเราเราก็จะเลยกันหน้าไปจนกระทั่งเป็นพุทธะได้ตนเองถ้าไม่เป็นสมมาสมพุทธะก็เป็นปเจกพุทธะท า, าไมเป็นปัเจกพุทธะก็เป็นอนุพุทธะ พราหลานทุกองก็เป็นอนุพุท ธ, ธะถึงนั้นทําไมเป็นอนุพุท ธ, ธะอนุโลมให้เป็นสุตตพุท ธ, ธะเป็นพุท ธ, ธะโดยความรู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษามีความเข้าใจและใช้ได้นี่แหละอาตมาก็เลยมาเข้าหลักชาวพุทธตรงนี้ตรลงที่พูดมาเนี่ยมีหลักสำคัญอยู่ห้าข้อคงจาได้นะหลักที่หนึ่งก็คือหลักของความเป็นมนุษย์เรื่องตัวเองว่าเราต้องมีจิตสานึก ในการฝึกตนหรือในการศึกษาก็แล้วแต่ในการเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนาตนอันนี้ต้องสร้างจิตสํานึกขึ้นมาเด็กทุกคนนะโดยเฉพาะพ่อแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สร้างจิตสํานึกนี้ให้แก่ลูกได้นั่นคือความสําเร็จไม่ต้องห่วงแล้วลูกจเจริญก้าวหน้าเล่าเรียนศึกษาสําเร็จแน่แต่ถ้าสร้างจิตสํานึกนี้ไม่ได้อยากเดี๋ยวก็ไปติดเพลินหลงโน่นหลงนี่ไปต้องทําให้ได้จริงไหมหนู มนุษย์เป็นสัตว์ที่เอาดีได้ในการฝึกเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะดีเลิ่ประเสิฐได้ในการฝึกการศึกษาพัฒนาชีวิตนี่แหละนั้นเราจะเป็นอะไรมีจุดหมายที่ดีตั้งไว้ไปไปได้ทั้งนั้นด้วยการศึกษาคือฝึกฝนพัฒนาตนเรียนรู้ไปแล้วก็มาเนี่ยเอาอาศัยพระธรรมจันาตร์ใมาเป็นหลัก แล้วเราก็สร้างสังคมที่ดีขึ้นมาเกื้อหนุนให้ทุกคนเนี่ยก้าวหน้าไปพัฒนาชีวิตไปได้ดีสังคมที่ดีก็คือสังคมที่เอือ้อต่อการพัฒนาชีวิตของแต่ละคนนั่นเองไม่ใช่เป็นสังคมที่มาฟุง้งเฟ้อลุ่มหลงโมเมาแล้วก็บอกฉันมีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นสังคมที่ดีก็คือสังคมที่เป็นสภาพเอือ้อต่อการพัฒนาชีวิตของคนแต่ละคนให้เขาพัฒนาไปสู่การได้สิ่งที่เป็นสกับชีวิต นั้นเราไปมองไม่เห็นว่าสังคมดีงามคืออะไรเศรษฐกิจ ด, ดีงามคืออะไรก็มองไม่ออกไปมองว่าเศรษฐกิจ ด, ดีงามบรรลุจุดหมายแล้วโอ้โหมีสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริโภคฟุ่มเฟือยเต็มไปหมดบำรุงบำรเรือกลายเป็นลุ่มหลงหมัมมวเมาสังคมดีเกี่สังคมที่ฟุ่งเฟืออย่างนั้นหรือไม่ใช่แล้วเศรษฐกิจ ด, ดีก็คือเศรษฐกิจที่พรั่งพร้อมที่จะ เป็นปัจจัยพระท่านบอกแล้วเศรษฐกิจเป็นปัจจัยก็คืออาหารเครื่องนุ่มหอมที่อยู่อาศัยนี่เป็นปัจจัยที่อาศัยให้เราจะได้อาศัยมันมาพัฒนาชีวิตของเราถ้าเราไม่มีมันเราก็พัฒนาชีวิตไม่ได้นั้นทางพระท่านเรียกว่าเศรษฐกิจเป็นปัจจัยอยเอาเศรษฐกิจเป็นจุดหมายมีพระองค์หนึ่งสมัยก่อนเนีท่านเป็นนักการเมืองมาก่อนมาบวชแล้วก็โอ้มาเจอเศรษฐศาสตร์ในแนวพุทธขึ้นมาท่านขอใช้คําว่า เราเรียกเศรษฐศาสตร์ใหม่เรียกว่าปัจจัยศาสตร์วิชาว่าได้ปัจจัยก็คือว่าต้องทำความ พ, พร้อมทางวัตถุให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมให้ได้ไอ้เศรษฐกิจมันจึงจะมีความหมายไม่ใช่เศรษฐกิจด้วนๆจบในตัว แล้วก็จบลงที่ความลุ่มหลงสังคมก็ลุ่มหลงเศรษฐกิจก็เป็นเครื่องบำลุลงบำเลอล่อหลอกให้สังคมนั้นจมอยู่ในความลุ่มหลงหมวัวเมาแล้วก็เสื่อมลงไปก็กลายเป็นสังคมโบราณที่อารยธรรมล่มสลายกันไปไม่รู้จกกี่แห่ง